เพ่อป <t> ูนบริบูรณ์ด้วยทานที่นภวนาของท่านพุทธศาสนาท่านจะชมทั้งหลายท่านอุบาสกบริกาทุกท่านให่บุญให่กุศลเราท่านทั้งหลายตั้งใจจะสร้างฐานะชีวิแม่ท่าพิชใม่นาคพุธจะเป็นท่านหญิงท่านชายท่านอุบาสกบุรุษทั้งหลายเกิดมาอย่าให้ไร้ความหมาย เกิดมาให้มีค่าในชีวิตเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสน า, าของพระพุทธเจ้านั้นสอนแนวทางของชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยแจ่สใสและก็เดินทางด้วยความถูกต้องกรรมชะตากรรมของเราไว้ให้ได้จากการกระทาของเราดีชั่วเหล่การใดนั้นขึ้นอยู่กับเราด้วยกันทั้งนั้นดีชั่วเปละการใดนั้น มันก็อยู่ที่ตัวเราความดีก็เป็นเรื่องธรรมชาติความชั่วก็ธรรมชาติแต่ความชั่วหรือความดีนั้นที่เรียกว่าเป็นธรรมชาตินั้นคืออะไรคือคนเราในสากลโลกในทั้งโยมหญิงโยมชายโดยธรรมชาติ คนไหนที่มีจิตดีมีปัญญาจะแสวงหาแต่ของดีคนที่มีจิตที่ไม่ดีแปรสภาพจากธรรมชาติเป็นของไม่ดีชอบจะแสวงหาของไม่ดีตลอดรายการจนเดินทางไล่สาระที่เข้าใจว่าตัวเองถูกต้องขอเชื่อจริงมันไม่ถูกต้อง ก็ดับในแนวทางชีวิตนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้วันธรรมโสนะตอนทั้งหลายเราก็มาสร้างบูงสร้างกุศลให้จิตใ จ, จให้เราจะเรียน่วงเรืองอยู่ในจิตใจอันนี้ต้องสร้างต้องทำด้วยของใครของมันจะเป็นถ้าสงองเจ้าอิลามาบวชหรือว่ามาบวชเปน็นนวิกะหรือบวชเก่าก็าตามก็เหมือนกันเลยก็ นาน่าจิตตางจิตก็ไม่เหมือนกันกุศลอักุศลเหมือนกันไม่ได้บางคนก็วาละก็ไม่เหมือนกันเวลาไม่เท่ากันแต่จิตใจนั่นเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเปรี้ยวชอบหวานบางคนก็ชอบขมบางคนก็ชอบเค็มเท่านี้ยังแตกต่างกันไปแล้วโดยรสอาหารไหนเลยและจิตใจจะเหมือนกันทุกคนแ แต่เหมือนกันโดยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นที่ทราบดีทั่วกันหลวงปู่ชลาธรร ม, มากับหลวงปู่ชลาธรร ม, มาทําดีได้ดีทำทั่วดีชั่วก็ทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วมีความเข้าใจด้วยกันทุกคนค้าขายก็อยากได้กําไรไม่ต้องการขระทุนจะทํางานอันใดก็อยากให้งานนั้นสําเร็จจะคิดอะไรก็อยากได้ใช้เวลาคิีวิตเป็นประโยชน์ต่อชีวิตขุนตอน เหมือนกันทุกคนแต่ไม่ต้องกล่าวว่าความคิดนั้นจะเหมือนกันนานา จ, จิตตางจิตคิดไม่เหมือนกันและความเข้าใจก็ไม่เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมคาของพระองค์ที่สอนมานั่นเป็นแนวทางถูกต้องสอนให้เราทั้งหลายเดินทางด้วยความถูกต้องบําเพ็ญจิต เรียกว่าพัฒนาจิตให้จิตใจมันเข้มแข็งและอดนทนทําให้เกิดแสงระว่างสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองการที่ท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมฐ า, านขอสรุปย่อดจุความมาท่านต้องการสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองคนเรามีปัญญาไม่เท่ากันสมองก็ไม่เหมือนกันไม่จําต้องกล่าวว่ายังอื่นฐานะที่เราอยู่กันก็ไม่เท่ากัน เหตุการณ์ของชีวิตก็ไม่ถูกกันิินามั น, นาผูญ้าชายายะกูลวงก็มาไม่เหมือนกันแต่ต่างกันมากนะแต่ท่านผู้ใดใครที่ไหนหนอจะใช้เวลาที่มันเป็นประโยชน์ในสกูลวงของก่อนจากที่เกิดในะกูลของก่อนนั้นโสดแท้แท้โสดประสาทหรือการทานในเหตุการณ์ดังกล่าว ก็มาไม่เหมือนการอีกเช่นดูกันจะเป็นประเภทใดก็ตามถ้าขยานันหมั่นเพียรมีสติปัญญาในตัวแล้วรับรองเหมือนเกิดมีแสงสว่างในตัวนั้นไปไหนไปรอดปลอดภัไยไม่มีเสน่หดจังไรแต่ประการใดปกน้ำไม่หลตกไฟไม่มหมไปที่ไหนก็ร่ำรวยที่นั่นมีแต่กุศลมีแต่ผลบุญเพราะเป็นความจริงในที่จริงเขา ท่านสาทุชนทั้งหลยแเราเกิดมาในสากลโลกหิีปรพัสสอนสิทธผ่องใสามาแล้วแต่แล้วมาคุกฝุ่นกันมายำ่ำยํำยีบีชาบเพ้ายีปูยำํำหาโอกาสที่หลายสารเขามาผสมประสานกับจิตใจจิตใจจนฟุงชช้งซ่านจิตใจกระวนกะละวนเวิ่นวายอยู่ตลอดใ้กลาห า, วาความสุขสนุกสบายในชีวิตในจิตใจไม่เลย ก็เนื่องจากเราไปหามาเองขอเชือจริงเราเป็นปกติและธรรมชาติเหมือนกันทุกจนที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครเลยที่จะต้องรักษาความเป็นธรรมชาติไวให้มันอยู่โยงคงที่คงวาคงซอกมั่นคงด้วยสมาธิเรามาดูรักษาความเป็นมนุษย์ไวทําให้ความเป็นมนุษย์ตกต่ำและด้อยถอยหลังลงทลองจนความสภาพของมนุษย์ก็หมดไปและธรรมชาติก็ไม่มีอีก โดยธรรมชาตินั้นก็เปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจคนเราทั้งต่ำสูงไม่เท่ากันจิตใจดำจิตใจดีมีปัญญาไม่เหมือนกันบางคนก็ล้อลุมกลมใจสาระวนวุ่นวายไปเอาทุกจอนนอกตัวเข้ามาหาในตัวคนที่มีปัญญาในตัวก็คือคนเจริญพระกรรมฐานให้มีสติปัญญาในตัวเกิดขึ้นในเมื่อมีปัญญาในตัวเกิดขึ้นแล้ว เช่นนี้ท่านเพิงจะแก้ไขปัญหาและจะไม่เอาทุกจรเข้ามาไว้ในสมองมืองบันดาลไว้ในจิตใจตลอดไปความทุกข์ความยากความลำบากก็จะไม่มีแต่คนผู้มีปัญญาในตัวการเจริญกรรมฐ า, านต้องการจะสร้างปัญญาให้เกิดในตัวเองเพื่อการเจริญสติปัฏฐานสิ่งก็ไม่หมายความว่าทุกคนจะทำได้ เหมือนกันก็หามไม่ได้อันนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาบางคนที่ไร้บุญวาสนาเนะี่ยจะทําไม่ได้เลยแล้วก็ไม่สนใจทําจะเป็นชาสงองค์เจ้ามาบวชก็ไม่สนใจนานไปก็เลือนลางห่างไกลจากความดีเช่นนี้พระคุณเจ้าองค์นั้นจะได้ดีได้อย่างไรไม่สามารถเป็นตัวอย่างต่อสาธุชนพุทธศาสนาไ ก็เกิดขึ้นในชาปิสูทนั้นเลอชาปิสูจน์จึงแตกตลางกระจาเหมือนกันไม่ได้แม้แต่องค์เดียวเอจักถคะไม่เหมือนกันเราทั้งทั้งหลายมีวิชาเอกไม่เหมือนกันบางคนวิชาเอกประชามปิตวิชาเอกวิทยาศารมันยังเหมือนกันได้อย่างไรด้วยการชอบของเขาชาปิสูจน์ท่านก็ชอบอะไรก็เป็นวิชาเอกของท่านแต่ถ้าหากว่าชีวิตเป็นกลาง วางอยู่ในจิตว่าแต่ไม่ว่างงานในการปฏิบัติของท่านเพื่อระพฤติดีปฏิบัติชอบเนีวยสอนตนเองได้และก็ต้องขยันสอนคนอื่นต่อไปได้เรียกว่าพระสงค์องค์ภาษาวกเป็นผู้ระพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นแล้วเรียกว่าสุปฏิปันโนพระวาโตสาวากาสังโคสังทังนามมิขปเจ้าวายมูสงในหมู่นั้นผู้ระพฤติดี ปฏิบัติชอกพระสงจึงแยกแตกกันไปาย่โยมสาธุชนฉลาดถ้าจะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไม่ต้องไปเลือกพระถ้าเลือกพระตามที่กล่าวสุปฏิปันโนนั้นท่านจะไม่ได้ทําบุญจะหาโอกาสทําบุญด้วยอยากจะเป็นพระหนงเหลืองห่มเหลืองชนิดใดก็าตามซ้าไปเชอะบุญมันอยู่ที่ใจโยมมันไม่จะอยู่ที่พระองค์ละ ไี่ทำไปกระพระองค์นั้ น, นแล้วสังขังน้ำมามิขัตตเจ้าว่ายมูสงผู้ทรงสังวรศิษยผู้ทรงพระธรรมวิเนศเป็นลูกศิกย์ตาคตสังขังน้ำมามิเป็นตนขัตพิยเจ้าว่ายมูสงในหมูนั้นแต่สงในหมูนั้นประพฤติดีก็ถูกหมู่นั้นไปถ้าพระสง์หมูนั้นประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบมันก็เลยข้ามไปไม่เป็นายทำบุญได้ทุกอย่าง หน้ามาบินบาทหน้าบ้านจะไปใกล้วัดหรือห่างวัดเราจะชอบไม่ชอบอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าเราทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปใสบาปกปเชอะคิดว่าใสบาปไปแล้วเราก็จะต้องสุปฏิปันโนสังขังนำมามิขาไปเจ้าวาวหมู่สงประพฤติบีปฏิบัติชอบโยมก็ได้บุญครบร้อยประชด ไม่จำต้องกล่าวว่าไปแสวงหาพระที่ไหนในสุปฏิปันโนจะหาได้ทุงไหนประการใดพระเป็นปู้ถูชนทางนั้นไม่มีสู่ปฏิปันโนที่แน่นอนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เลยสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าฟังประพฤทิดีปฏิบัติชอบจเจริญกรรมฐานแล้วก็สอนประชาชนเสียสละให้แก่กิจกรรมประสงค์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ประโยชน์นั่นแหละถึงจะเรียกว่าสมไม่เห็นแต่ประโยชน์เพียงตอนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรว ม, มตลอดเลยการจึงช่วยเหลือประชาชนที่นำอาหารและบบงคาบาทมาสวาสววยทดแทนด้ ว, วยซึ่งการสอ น, ส น, อนเป็นประเบียบการของพระพุทธเจ้าสอนมาชานานอย่างมี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเฉริญตระมาทามเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวเอง แต่ทั้งหลายถ้ามาเดชเจริญกรรมาฐานบำเพ็ญกิจภาวนาแล้วปัญญาท่านจะไม่เกิดในตัวอาจจะมีปัญญาในทางเรียนหนังสือทางวิชาการทางประสบการณ์เท่านั้นแต่ปัญญาในตัวนี่มันจะปุกขึ้นมาจากดวงใจทำให้จิตใสสะอาดทำให้เกิดละบาช้จากมุนทินและความเศ้าหมองชีวิตท่านจะลองดองท่านจะไม่มีอาาตูพยาบาทฤทธิ์ยาท่านสุดา มีแต่เมตตาตลอดการประวสารจะไม่มีอคติและหายณะต่อท่านผู้ใดอย่างนี้เรียวกับปัญญาในตัวคนที่มีปัญญาในตัวเกิดจากการเจริญจากกรรมาฐานผู้นั้นจะมีตเมตตาอยากจะให้แล้ช่วยอยากจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนนั้นให้พ้นจะกทุกข์เหมือนอย่างเราที่พ้นทุกข์มาแล้วเป็นก้นเรายังมีสะลวนมีทุกร้อนจะอกร้อนใจ ร้อนหนอกร้อนนายอยู่ตลอดเวลาแล้วเรา่าดปัญญาในตัวจึงแก้ไขทุกอันนี้ไม่ได้ทุกร้อนผ่อนคลายทุกอยู่ในใจตลอดกาลเวลาหาความสุขสนุกชีวิตในครอบครัวมไม่ได้เลยเมจ่กความหาญณนะเมจากความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนทาาความอบอุ่นมาก การเจริญกรรมฐานต้องการให้เกิดความอบอุ่นผู้ใดมีปัญญาในตัวผู้นั้นจะอบอุ่นเหมือนมีกระแสไยในตัวมันจะอุ่นอยู่เสมอมันจะไม่ไล่สาระอบอุ่นใจคนที่มีความอบอุ่นใจมีร่มโพร่มใาเป็นทพึ่งแล้วนั่นแหละคือสมาธิมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกทิกษา จะยาพีนี้จนประการใดมีแต่ความสุขตลอดไปหาชาวสินข้ามหาท่านสินชาวก็ยังมีคนสุขนอนก็ะดิง่งกินกระชายก็ยังมีคนสุขเพราะมีความสนุกในจิตใจจิตใจไม่เลวล้าจิตใจไม่เป็นอกุศลจิตใจไม่เป็นหายนณะแต่ประการบาดชีวิตท่านจะแจ่เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานไม่เสีของง่าย แล้วก็ไม่เสียของยาท่านต้องมีบุญมีวาชนาท่านิึงมาจเจริญกรรมาสานกันถ้าท่านไล่บุญวาชนาท่านไม่ต้องมารนะูหน้ารู้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะบางคนไม่เคยเลื่อนสายศรัทธา ม, มา ก, ก่อนภรรยาเข้ามาก็ว่าภรรยาภรรยามีศรัทธา ม, มากแต่ขาดศัิขาดที่ยัต ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติแต่มีศรัทธาอยากทำแต่ไม่มีความเพียรขาดบารมีอันหนึ่งก็ไม่ได้ขาดตกบกร่องไปสามีมาเห็นข้าวก็มาดูเอ๊ดีนี่นะพระท่ากนก็สอนดีถ้าใครทำกรรมาฐานได้ก็จะดีสสามีไม่เคยศรัทธามาก่อน ไม่เคยเลื่อมสายเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะไม่เคยเขวัดไม่เคยปฏิบททัติธรรมแต่ประการใดเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการเดือดยเดยนหรือเป็นการเลี่ยไรเข้าใจผิดเลยตัวเองก็ลองปฏิบัติดูบ้างโดยยังไม่มีครูอาจารย์พอปฏิบัตินั่งขเขาแล้วเกิดแสงเกิดสติปัญญาเกิดชัดชาก่อนเกิดความเลื่อมใสาันทีเลยก็สนใจในการปฏิบัติขึ้นมา นี่แหละท่านทั้งหลายโดยที่ไม่เคยศรัทธามาก่อนเลยก็ไปก่อนได้ผลดีกว่าภรรยาภรรยามีศรัทธามานานแต่ขาดความเพียรขาดวิริยะตร้งใจอยากให้บุญแต่ไม่ทําไม่ยอมอยากได้ข้าวแต่ไม่ทํานาอยากได้เงินกาแต่ไม่ค้าขายเนื่อยาาไม่เอา ขาดความเพียรก็เรียกว่าขาดบารมีแปลว่าความเพียรรับรองก็ไม่ได้ผลมันต้องสร้างบารมีด้วยหรือการความเพียรอย่างนี้ต้องเจริญกรรมฐ า, านตลอดไปให้เสมอต้นเสมอปลายบางคนทำได้แล้วก็กระจายว่าตัวเองได้เลยก็เลยแล้วก็สอนคนอื่นได้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรอีก แล้วก็เชียร์ค้าต่อหน้นาที่อีกดูวิธีปฏิบัติของเขาก็ไม่ได้ผลปัญญาในตัวมันก็ลีบ ล, ลีลงเลยก็ปัญญาในตัวหายไปเป็นตัญญาเข้าข้างตัวเป็นตัญญาเข้าข้างตัวไม่ใช่ปัญญาในตัวอาชีว่าปัญญาเข้าข้างตัวก็คือเอาใจใจของตนเรียกว่าปัญญาเข้าข้างตัวเข้าข้างตัวเองเลยก็คลิกอะไรถูกหมดัวเองถูกหมด โดยที่ผิดพลาดอย่างน่าทิดได้ท่านคนที่มีปัญญาในตัวแล้วจะคิดมีเหตุมีผลทำอะไรมีข้างขึ้นแข็งแรง ม, มีต้นปลายมีหลักมีฐานทำอะไรก็หาเหตุท้าผลตลอดเลยการนั่นแหละเรียวกว่าปัญญาในตัวจะแก้ไขปัญหาได้ทุกเวลาปัญญานอกตัวมันไม่แก้ไม่ได้ปัญญานอกตัวหรือปัญญาที่เข้าควาตัวเนะ มันจะคิดได้ว่านี่ที่คิดเนี่ยถูกต็อเลยเข้าขังตัวมานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดเลยมายก็เข้ามากระซิบให้เลิกเลยโยมาทำปฏิบัติว่างสาอยูเจวันสามวันกลับไม่ตร้งใจทำนั่นแหละคนประเภทนี้คนไร้ปัญญาแล้วจะขาดวาสนาไม่มีบา ร, รมีต่อไปต้องช่างบา ร, รมีคือความเพียรให้มากที่สุด แล้วบา ร, รมีนั่นสร้างเขาแล้วก็ต้องมีวิระยะหนะแล้วก็สร้างสติด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มันครบในเมื่อเรามีสติกำหนดสิด่งดดมันก็ครบเพืียเรียกว่าบา ร, รมีเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นสติก็ดีสมาธิก็เกิดการแก้ปัญหามันก็เกิดปัญญาในตัวขึ้นมาให้แก่ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นบางคนทาได้ พอรู้จะสอนเขาได้แชร์ตัวเองไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติหน้าเสียงนั้นแต่ประการได้บารมีมันก็โลยล้างและหา่างไกลสติก็ค่อยค่อยหมดไปสมาธิก็ไม่มั่นคงจิตใจจะอยู่ที่ก็ไม่ได้เลื่อนลางไปตามอันดับท่านจะไม่ได้อะไรเลยตรงนี้ขอฝากนักกรรมถานหี่อยการยืนหน่ห้าครั้งที่ตามาต้องพูดอยู่เสมอไม่มีใครทาได้ ตองไอส้สติอยู่ก็เจิยชะดะเดยืนหนอที่สาธิตให้ดูหลายครั้งรวมจะปลาเท้าโยงขึ้มาที่ศัให้มันได้จังหวะถ้าสติเชื่จิตมันอยู่กันไดน้เลยไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่โลเลลายหลับรับรองจะรู้วาแล้วจิตได้แน่นอนเถ็งคนเดินมาเนี่ยจะรู้นิสารมันจะเกิดสัมผัสเกิดจิต เราจะมีข้อคิดนี่เรียกว่าปัญญาในตัวไม่เกิดแล้วทุกอย่างทําได้หมดเราจะเดินตรงกลมก็ได้จังหวะจากโคนทําอะไรก็คร่องแคล่วไปหมดว่องวายรวดเร็วชันายถูกต้องเป็นธรรมก็เกิดขึ้นในตัวท่านเองบางท่านก็ไม่เอานะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ได้ว่าบางคนเนี่ยมันมีความเพียรเลยไม่ได้ตัง้งสตาธิอยูย่ก็เจ็ดใจ นั่นแหละปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นในตัวเองปัญหามันก็แก้ไม่ได้แถมไปช่างแต่ปัญหาเอาทุกข์ข้างนอกมาไว้ข้างในทุกในก็เต็มเป้าเต็มกระเป๋าอยู่แล้วจะไปเอาทุกข์นอกมาทํำไมทุกจรโทมนาสางก็มีอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายก็มีแต่ความทุกข์ตาทุกข์ของผู้อื่นมาอีกเอาทุกคนโน้นเอาทุกคนนี้ของผีของน้องของอึของหลานเอามาเสร็จมาเป็นทุกข์ เลยก็โชมันัสสังสมนัดดี อ, อกดีใจแล้วเดี๋ยวก็โชมนัดดีใจแล้วก็เสียใจเสียใจแล้วก็ดีใจแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังนะั่นแโอททนไม่ได้ไม่มีการอดทนต่อเหตุผลเหล่านี้ไงเลยเราท่านจะทนต่อเวลานะเวทนาที่กาหนดได้ท่านก็จะทำไม่ได้นี่แหละจะไล่บุญตรงนี้ ในเมื่อมันมีเหตุผลเนี่ยก็จะทําอ่าเป็นอกักขุผลระดับเกิดขึ้นดะเวลามันปวดเนี่ย น, น, นี่ยมันจะได้ผลแต่ท่านนั่งเงยกาหนดไม่ได้ไม่ได้จังหวะแล้วบางทีเพลินนัน่งได้หลายชั่วโมงไม่รู้จักปวดเมื่อยได้จิตไม่ออกท่านคิดว่าฉันนั่งดีนีนนน่ไม่ได้ผลครูไม่ได้มาสอนไม่มีใครสอน ถ้าครูมาสอนเนี่ยมันจะปวดโน่นปวดนี่แล้วเราก็แก้ไขเพระครูก็ออสอนมันจะปลุกขึ้นมาเองปวดหนอปวดหนอปวดหนอเดี๋ยวเปิดขึ้นกางอยู่ดับไปปวดให้หายไปท่านทั้งหลายเอ่ยยิ่งปวดยิ่งดียิ่งจิตบุ้งชาอย่งดีเราก็จะได้สติใช่ต่อการงานและหน้าที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อจิตมันออกกําหนดได้ ถ้าเรานั่งเราสบายมีแต่สมาธิขาดสติแล้วมันก็ไม่เห็นผลนะแล้วจิตมันออกไปก็มาถึงจะรู้ด่าว่ากำหนดผิดคิดหนอแล้วจิตมันก็กลับมานั่นแหละเป็นตัวตําลาที่ปัญญาในตัวไม่ใช่ปัญญานอกตัวและปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มันได้จากอื่น คนที่มีปัญญาในตัวเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้เองปัญญานอกตัวเนี่ยมันจะเข้าข้างตัวไม่มีปัญญาในตัวมันจะมีปัญญานอกตัวก็เข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองแล้วก็ไม่มีช้าที่จะแก้ไขได้เลยก็เรียกว่าทิชีนั่นเองทิชีมานะของคนเรามันก็เกิดขึ้นใครพูดอะไรโกรธเพืองหาว่าคนอื่นพูดไม่ถูกต้องตัวเองถูกต้องเสมอไป นี่แหละมันเป็นอย่างนี้อย ห, หนอคนที่ไรปัญญาก็เป็นอย่างนี้คอยจะคิดข้าวข้างตัวเองตลอดเลยการกำหนดก็ไม่ได้อดทนก็ไม่ได้นี่แหละไม่มีทางบารมีต้องเพียรอดทนขันตีบารมีด้วยมีความอดทนในขันตินการกาหนดถึงจะได้ผลผลมันจะปรากฏ ช, ชัดขึ้นมาเช่นเราปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ยิ่งปวดหนักกำหนดยิ่งปวดหนัก กดสบไย ป, ปวดหนักปวดหนักปวดหนักได้กาหนดได้แล้วเวลาเลิกนัง่งมันจะหายาทันชีท่านสาธุชนทั้งหลายยกตัวอย่างให้เห็นท่านเคยหาหมอนวดไหมหมอนวดพอจับนิดเดียวก็ปวดอ่ะโอ้ยโอยเนี่ยแต่หมอขยํำจับเส้นไม่ถูกมันไม่ปวดเพลินอยากจะหลับแม้สบายดีแต่ยังไม่หายลรค บีบยังไงก็ไม่หายถ้าหมอที่กลับเช่นเป็นเขาค่อยไม่ค่อยบีบไม่ต้องบีบแรงพอเอามือกอดไปโอ้ยเลยปวดปวดโอ้ยโอ้ยพ อ, อเขาเลิกบีบแล้วหายเลยนั่ น, นแหละแบบนั่งกรรมฐานก็เช่นอยู่กันถ้ามันปวดมากหรืออะไรต่างนั่นแหละมันถูกแบบแล้วเราก็ตั้งสตรีเหมือนหมอ น, นวดจับเช่นเห็มันถูกยิ่งถูกมันยิ่งปวดยิ่งถูกมันยิ่งปวด ถ้ายิงถูกมันก็เคลียใจรลับมีการกำหนดจิตนั่นแหละท่านถึงจะรู้ว่าปัญญาในตัวเป็นอย่างไรบางทีเนี่ยท่านนั่งสักสามสิบนาทีไม่ไม่ไมได่าเอาพ้นต่อไปตายให้มันตายตายให้มันตายเดี๋ยวนั่งดาเป็นชั่วโมงนี่แหละเหมือนหมอดูหมอนวดมาจับแค่นาํามันปวดจริงๆนะหมอเขาเข้าใจจับเขาจับในเล็กๆ็กน้อยก็ปวดนะ ไอหมอขยำเนี่ยนอนสะบายมาเท่าเกินแล้วยายจะหลับมันก็ไม่หายโรคหายภัยไข้เจ็บถ้าเรากําหนดใี่มันปวดเรือเกินหน้าหนึ่งชั่วโมงจะตายจะแทบจะตายเลยเอาอดทนต่อไปทันติธรรมทนกระพรามทนลำบากทนก่อเจ็บระเว้ปวดข้าดทนต่อความปวดใจได้ก็มีสติขึ้นแล้วกําหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดยาญ นาข้าเกิขึ้นตางอยู่ดับไปพอเราเลิกทำกรรมฐ า, านเลยก็คล่องแคล่วปวดนั้นจะไม่เป็นแล้วมันนั่งอีกไม่ปวดตรงนั้นถึงจะปวดก็น้อยลงไปมันอยาคูกล้องแล้วแต่ปวดแล้วเลิกเลยเหมือนหมอหนวดก็บีบให้จับเส้นให้ยอนเพอจับหน่อยโอ้ยเลยเลยเช่นก็ต้องตึงตามเดิมแม้ก็ไม่ก็ไม่หายปวดนาข้าว กดลงไปกดลงไปคลายเข้าไปโอยโอยโอยโอยโอยโนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยพอเส้นย่อนปับทาอะไรก็สบายชั้นใดก็ชนะเพราะฉะนั้นความดีต้องมีอุปสรรคอย่างนี้เสนอไปเพราะทั้งหลายผู้ทำเนี่ยไม่อดทนพอคนพอจะปวดเมื่อยนเลิกแล้วและทนไม่ได้เลิกตามใจตัวเองใช่ไหมในมากตามใจตัวเองเช่นนี้แนีะท่านจะไม่ได้ผลในการปฏิบัติเลย จะเป็นคารวาก็ตามเป็นประสงองค์จา ก, ก็ตามไม่ได้แน่ไม่ได้และเป็นหลักปฏิบัตินั่งก็ทนไม่ไหวเดินจงกอมก็ทนไม่ไหวก้ามลอก็ทนไม่ไหวตั้งสติไว้ไม่ได้ปัญญาในตัวจะไม่เกิดขึ้นจะมองไม่เห็นเลยเลยก็กลายเป็นคนที่ถี่สูงขึ้นในเมื่อมีที่ถี่มากขึ้นแล้วแล้วท่านจะทำอย่างไรท่านก็ไม่สามารถจะทราบเองว่าเราเนี่ยคิดถูกหรือไม่ ไม่ถูกต้องก็ตามคันลองจัดกัดใดคนที่กำหนดได้เหมือนหมอแพทย์ศาสนาโลกหายรูงง้ส ม, มุดฐานของโลกว่าเราหน้าไปแล้วเนี่ยส ม, มุดฐานมันอยู่ตรงไหนคือตัติปฐานสี่เป็นส ม, มุดฐานกายานุปัชนาติปฐานกายยืนเดินนัง่งนอนเหลียวซ้ายแลวขวาผู้เยาขาตั้งสติไว้แป็นส ม, มุดฐานของกายเวทนา ทังขาวิญญาณลูกเวทนาทั้งยามทั้งถามวิญญาณลูกก็คงเป็นลูกธรรมดานั้นยามทั้งขาวิญญาณก็เป็นตัวนามะธรรมปวดเวทนาก็เป็นนามะธรรมนี้ทั้งลูกทั้งนามะอาศัยลูกเกิดมาชั่งปวดขาในลูกปวดหนอปวดหนอเอาตายให้มันตายกําหนดตายกาหนดตายเนี่ยเข้าสมาธิเกิดขึ้นในตัวมันจะหาย พอหาเสร็จแล้วเลิกนั่งสบายมากพร่องแพ่ว่องวายกลับเส้นหย่อนลงไปอีกจะมานั่งอีกก็จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายจับจิตสุดถูกแล้วกลุ้มใจเยอะเกินกลุ้มใจแล้วเลิกกลุ้มใจแล้วเลิกเสียใจแล้วเลิกแล้วเวลาอารมณ์ดีก็มานั่งปฏิบัติท่านจะไม่รู้ว่าความซุ่มนันม้นแก่อย่างไร ท่นเรื่องรักท่นเรื่องหลงเรื่องหึงมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากหาธรรมะอยากจะฆ่าอยากจะแกงกันอยากจะด่ากันไม่หาธรรมะเลยก็ทะเลาะดีวากันถ้าหากว่าเกิดขึ้นอย่างนั้นเข้าหาธรรมะปฏิบัติธรรมถึงจะรู้ของสร่งว่าอ๋อไม่สมควรเลยที่เราจะไปด่ากันไปทะเลาะกันมันเสียเวลานี่ปัญญาในตัว ม, มันจะออกบอกนาะ แต่เราก็ไม่เอากันอีกมันถึงได้ขัดคอมันถึงได้ทะเลาะกาันตอนสาธุชนพุตบอลชัต์ทั้งหลายเราระเริญกรรมาฐานได้จริงท่ันจะรู้ว่าพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากอตาตมาพูดดีเสมอมาททพูดดีแันดีถึงจะเข้าใจพูดร้ายดุกรรมมันจะเข้าใจไหมถ้าเรามีสติดีคิดหนอคิดหนอ เดือใจหนอหรือโกรธเนอโกรธหนอโกรธเนอะถ้าท่านที่มนดาแล้วพูดร้ายให้ร้ายฝ่ายสีเราแต่เรากำหนดต่อสู้ว่โกรธเนอโกรธหนอะถ้าจิตภาวะสู่ความเบิกบกติมีปัญญาในตัวแล้วความโกรธจะหายไปจะไม่ฟังความโกรธไว้ในใจ จะไม่เก็บมาไว้ในจิตใจชีกต่อไปนี่ถึงจะเรียกว่าปัญญาในตัวบางทีใครมาว่าอะไโกรธเลยโกรธเท้ลูกหันข้ามไม่รู้จักจะหมดเวลาเหมือนอย่างสามีภรรยาคนทานทอดโกรดกันกระทั่งต้องเจ็บเ ป, เ, ปเป็นเดือนๆโกรธกันเป็นเดือนเลยไม่ได้นอนด้วยกันกิงข้ากวมัญญาจะรวนกัน เป็นเดือนเลยเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่มีปัญญาในตัวไม่มีความหมดทนโกรธแล้วไม่อยากมองนะนี่ล่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ปัญญานอกตัวน่ยมันเลี้ยวจนขนัดมันเสียงานไหมแล้วก็สามีภรรยานี่โกกันเป็นเดือนนีม่มีตัวอย่างชัดแล้วที่นี่งานการก็ไม่เดินเขาเป็นเจ้าของโรงแรม โรงแรมเกิดมีปัญหาสามีภรรยาไม่ต้องปรึกษาการเคราะไม่ภูกการปัญญานอกตัวทิศมานะต่อการถ้ามีเจริญกรรมฐานอดทนได้จะไม่รู้ได้ว่าอ๋อเรามาโปรกันทำไมเล่าโรงแรมเรากิจการจะดีก็กลับชบอปเล่าแลกเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ชบสาวล่าเช่าว่าเจาของโรงแรมทะเลาะกัน ซาโลับของโรงแรมนั้นทั้งสามีทายาทั้งลูกเย็นแย้มแสนสายให้คนงานในโรงแรมนั้นมันก็ดีใจมันก็สั้งใจทำงานเนี่ ส, สามีภรรยาหนะ้ามันยักมันมานทาให้ลูกเรีวยวลูกก ว, วางการครูในหมู่นั้นก็ลวนไปด้วยก็ไม่อยากจะทํางานงานก็ไม่เดินขึ้นนี่เห็นได้ชัดนไหมทั้งหลายเออจับจุดให้มันถูกต้องการกําหนดมีสาคัญมาก ไม่ใช่วางประทําได้ทุกคนดูหน้าก็รู้หรอกไม่อดทนอะไรเลยนะบางทีหน้าพลิกแล้วพลิกอีกพลิกอีกพลิกแล้วกำหนดไปเรื่อยๆหนาเข้านาคข้ามันจับจวดเหมือนหมอนวดจับเส้นค่อยๆชนั้นดับปวดหนาแทบดิ้นแล้วมันหายจริงๆเจ็บเดียนได้ต่อภายหลังแต่จริงของขมไม่อยากจริงเลยเนาะ โบราณเช่นว่าไว้ขืนอมขมเปริก็าตามหวานเป็นขนมขมเป็นยา ก, ก็าตามนั่นเนี่ยมันก็แบบอยู่กันนี่แหละถ้าเราปวดเมื่อยตรงไหนหมอเขาจาับเข้ามันจะหายถ้าบีบมันไม่ถูกเช่นมันไม่มีช้างหายและไม่ปวดด้วยเราหน้าปวดตรงไหนกําหนดตรงนั้นปัญญาในตัวก็จะเกิดขึ้นท่านจะไม่ปวดเมื่อยต่อไปต้องทนต้องสู้ถ้าหน้ามาเนี่ย ไม่เคยประสบความเวทนาไม่เคยประสบความทุกข์ยากติดออกไปท่านไปโดนขึ้นส่าเบ้เลยนะท่านจะเบ้เลยไม่อดทนแน่นอนโดนหนักหนักเบ้เลยเบ้แน่นอนที่สุดขอเจริญพรจากนั้นบางคนก็ไม่เอาเหนือเล่าใจมีความหมายอย่างนี้แน่นอนด็ไมั้สามารถจะแก้ปัญหาได้บางทีอ่ะพระมาบวชกันเนี่ยสิว่ามานั่งกาารรมฐาน บางองค์ท่านก็ไม่เอานี่อย่างเนี้ยแค่นกันไม่ได้แร้กแล้วจะศรัทธานะถ้าไม่ศรัทธาก็ไปเรื่องเจ้ากรรมเจ้าเวรเจ้าเวรเจ้ากรรมให้ไม่เอาก็เลยไปเราให้ทุกวันบางองค์ก็ไม่เอาหาเรื่องหาเลทหาโจษหาจําเนินหาเรื่องนอกประเด็นขยันนอกหน้าที่การงานคนเราเนี่ยต้องขยันในเฉพาะในหน้าที่การงานของตัวเอง หากเขาคนไหนขยันนอกนาทีการงานไม่ใช่เป็นงานของตอนรับรองเจ้งทุกหลาไม่ได้ดีเพืด่ดีหรอกนี่ตรงนี้สาคัญการเจริญกรรมฐ า, านมีการขยันหน้าที่ในการงานและรับผิดชอบตัวเองรับผิด ช, ชอบในครอบครัวรับผิดชอบในระหว่างสามีภรรยาเข้าใจกันดีพูดรู้เรื่องในงา น, นจะพูดกับลูกลูกก็เข้าใจนะลูกจะพูดกับพ่อแม่ก็เห็นใจลูกเขาลูกเขาก็มีปัญหา เราก็มีปัญหาคนลรอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่เขาไอ้ปัญหาพวกเราก็มีไอ้ลูกเราเป็นเด็กมันก็ชอบทุกชนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ชอบเที่ยวเป็นธรรมดาก็มีปัญหาหนุ่มสาวเราก็จะต้องให้เขาบ้างบางอย่างจะไปกราบลูกไปหมดเลยนะก็ทำให้ลูกลำบากทาให้ให้ให้ให้ใหใหกดดันทำให้เครียดนะอย่าไปกราบลูกมากนะักต้องรู้ใจลูกมากนี่คือกรรมฐาน กรรมฐ า, านจะให้รู้ใจลูกลูกไปเนเสียหายไหมเขาไปกับเพื่อนหญิงเพื่อนชายจะดีชั่วประการใดเราเป็นพ่อแม่เขาต้องรู้ด้วยปัญญาในตัวไม่ใช่ตามใจลูกจะไปไหนก็ไปตามอัจฉริยะันอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ก็จะจะกักไว้ก็ไม่ได้เพราะเพราะทาให้ลูกกดดันทําให้ลูกกดดันทําให้ลูกจะเปโลกปาะสาทขอฝากท่านไปเลยนะสิงเชตประการใดท่านไปตีความหมายได้แหะ เราไปกากลูกกากหลานกํลาลังจะรุ่นกระทงรุ่นนมรุ่นสาวไม่ไปหนะดูเดือน ด, ดูตะวันเลยรับรองลูกหลานท่านจะเป็นโลกศาสับแล้วเป็นโลกเครียดเป็นโรคเป็นโลกรค ก, กลัวเป็นลูกขาดเราอย่าไป ก, กักอย่าไปกดดันลูกหลานนะนี่เนี่ยคือกรรมฐานเราก็ไม่ใช่กดดันที่เรานะั่งกรรมฐานหนูผ่อนคล้ายผนชัน แล้วเราก็กำหนดอยู่เช่นคิดหนอคิดหนอต่างสติไว้คิดในเวลาเดียวกันหลายเรื่องอย่าคิดในเวลาเดียวกันคิดแต่เรื่องเรื่องเดี๋ยวก็สติก็ดีขึ้นความคิดนั่นก็แจ่มใสแลแ้วไปเห็นลู่เห็นทางเปิดชาติไปเห็นอเมริกาเปิดชาติมาเห็นโน่เห็นนี่ทุกอย่างบางทีเปิดชาติมาแล้วมองไม่เห็นมันมืดแปดด้านเลยญาติโยมทั้งหลายเ อ, อ๋ย เข้าเทือนต้องเตรียมพ้าคนเข้าป่าต้องเตรียมมีดผ้ากับผ้าขวานไปตัดปากขวานไอไอหนามันจะขวานออกไปถากถานี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเข้าป่าเข้าเถือนเตรียมลา้าเข้าป่าต้องเตรียมมีดผ้ากับท่าขวานก็ป่ากน้ํามันมากอุ่บปักมันเยอะอยะเหลือเกินต้องเตรียมมีดเตรียมขวาน กานทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานต้องเรียนหามฆพระคืออาวุธปัญญาวุธโทท่านจะมีปัญญาจะจำตัวเอาไปแก้ปัญหาคืออาวุธการเจริญกรรมฐานต้องการมีอาวุธจะจาตัวเหมือนท่านเข้าป่าไม่มีเมฆากทาขวานเลยท่านจะเอาอะไรไปฟันต้นหมากรากไมก้ที่ไม้ขวางทางหนามก็มาอุปสรรคก็เยอะ ถา้าท่านขาดมีดท่ากระทาขวานท่านจะไปไม่รอดท่านจะข้างบางถ้าหลังนึงต้องไปบุกเบิกก่อนพ้องไปตัดต้นหมากลากไม้แล้ว ท, ทําทวนดินทําหน้าดินดูดิ น, ด, ด, นดูอะไรถ้าก่อนจึงจะปลูกเรือนได้บุกเบิกเนี้ยเราเนี่ยไม่มีการบุกเบิกสู้หรือแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีอาวุธปัญญาอาวุธโถ ถ้ทาท่านมีปัญญาในตัวแล้วแต่จะใช้ปัญญาไปบุกเบิกนั่นคือกรรมฐานปัญญาในตัวเป็นการบุกเบิกจะไปทางไหนก็กระเซิดคิดอะไรก็เงินไหลนองทองไหลามาจะคิดค้าขายก็ได้กำไรจะคิดรับราชการก็ได้ตำแหน่งยศถาบนาสักจะเป็นครู อ, อาจารย์ก็ได้อาจารย์สามอาจารย์สองอาจารย์สามเป็นตน้น ระดับเจ็ดระดับแปดก็ว่าไประดับเก้าก็ไปตามขั้นตอนที่มีปัญญาของตนเอ ง, เองชั้นใดกว่าฉั้นนั้นนีแหละเข้าเทือนกัขเข้าป่าเรามาจเจริญกรรมฐานาต้องการจะหาอาวุธติดตัวเองปัญญาวุธโทอาวุธนี่เน่เป็นยาการแก้ไขปัญหาเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคคือวิเดชนาประการที่มันรวบรวม ลบายกายเกื่อนแท้สิ่งอื่นจะขายหาห่อนมีลือเว้นจะเอาความดีเข้าไปแก้กลับลายกายดีมีปัญญานั่นคืออาวุธกองเคลียมการท่านบัติที้ท่านจะไปอาวุธที่ไหนท่านจะเสียยจที่หาแฉะมันจะแย่เพ่งถึงไ ม, ม่ลูกมีหลานควรเจรินพร อ, อย่าไปกดดันลูกนะอย่าไปกักให้มันเกินไปให้โอกาสลูกหลานมาก ให้ลูกหลานลืนตาอาปากดูเหตุการณ์ของโลกมนุษย์ยุคใหม่สมัยนี้บ้างแต่ก็อย่าให้มันเหลืองอย่าให้มันละเริงอย่าให้หลงในนอกลกูนอกทางเท่า น, นั้นดูแลเท่า น, นี้ก็พอแล้วเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแผ่เมตตาให้ลูกหลานรับรองไปรอดแน่ลูกหลานจะไปเหนือมาใต้ก็ต้องกลับบ้านก็ไม่ผิดหวังในชีวิตของอาวุธ อาวุธนี่เป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบหมายมาเราก็เอาไปทิ้งทําไมเล่าคือศีงส ม, มาธิปัญญานาสิบายนะมีอาวุธก็ไปทิ้งท่านจะใช้อาวุธอะไรครับนี่ก็เปรียบเทียบให้ท่านฟังเข้าเถื่อนเตรียมผ้าเข่าป่าเตรียมมีดผ้าท้าขวานทําไมนี่มีดท้าท้ขาวขวานท่าจะไปถูกบา้านบุกเบกิกได้อย่างไรชีวิตจะแรงแคนชีวิตจะไม่มีแปลนจะแผ่นถัง จะไปสูกบ้านสูกเรือนยาเชิญกับหลายเล่ามีลูกมีหลานก็สาปเตือนว่าพราบแล้วให้เขาไปเชี่ยวตามอาการเวลาของเขาบ้างเขาจะเป็นหนุม่มเป็นสาวอย่าเป็นเด็กมันก็ไปชนไปตามเด็กแต่เราก็ดูเหตุการณ์อย่าให้มันชนเกินไปอย่ามันเสียข้าวเสียของเสียการเวลาเสียเนื้อเสียตัวสงวนสาปสีในหน้าที่ของหญิงแ ล, และชายเท่านั้นเองก็เป็นการเพียงพอในอาวุธ การจเจริญกรรมาฐานเป็นการสร้างอาวุธให้ประจำตัวจะหวเหาะเหินโดยนากาฏก็จะได้ใช้อาวุธอันนี้เราจะมีปัญหาใดก็จะได้ใช้อาวุธอันนี้จะทะเลาะวิวาทกันก็ใช้อาวุธอันนี้เราจะได้รู้ว่าควรทะเลาะอันยุติธรรมมันเสียเวลาเหลือเกินใไปนั่งทะเลาะกันทําไมเรานึกถึงเราความรักกัน เรานึกทิ้งความดีซึ่งกันและกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันเลยท่านผู้น้องทั้งหลายเอ๋ยพี่น้องก็เช็นอยู่กันแต่เราจะโกรธใครอย่าโกรธหมดแล้วเราจะเกลียดเขายอย่าเกลียดหมดเอาไว้รักกันในภายหน้าจะได้มองหน้ากันได้แต่เราไปโกรธไปเกลียดเขาทั้งหมดร้อยเปเซ็นต์ปรากจะรักเขามากกว้างกว่หน้าไม่สนิทขอฝากไว้ แต่เราจะรักการสมหมดตัวหมดตัวพันผัวอยู่ในกิเลสถ้าเกิด เ, เกลียดเกิดแตกแยกกันไปและจะวางหน้าไม่สนิทควรจะเอาแต่ครึ่งเดียบทำอะไรก็อย่าให้มันหละหลวมเกินไปและต่อให้มันเรียบร้อยทำอะไรมันน้ําย้อยบอกตารคิดการเวลาใดก็ขอให้ได้ช้อนได้มาได้ช้อนอย่างนี้เป็นตน้นสรุปในความว่า การเจริญกรรมฐานเป็นการสร้างฐานะการเจริญกรรมฐานเป็นการสร้างเหตุผลการเจริญกรรมฐานต้องการให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาการเจริญกรรมฐานต้องการห้ามปิดประตูอาบายไม่ให้เราไปนรกเรศอธุรกาชัติยาฉาอีกต่อไปติดประตูได้ไม่ต้องไปนรกแน่นอนท่านทั้งหลายอื่นอย่างดีแค่ก็ไปสวรรค์ มนุษย์สมบัติไปเกิดในแห่งผลที่ใดประการใดท่านจะไปเกิดในบ้านเศรษฐีมั่งมีชีสุขตลอดรายการรายการที่สองนั่งกรรมาฐานเจริญกุศลมีปัญญาท่านจะไปเกิดแห่งหลตำบลใดจะไปเกิดในบ้านเฉลิมสุขมั่งสนุกสบายมีแต่คนบนัณฑิตมีความชิ้สูงมีญาติพี่น้องทั้งหลายเป็นปราสดกวีมีปัญญาทั้งหมด จะไปเกิดแห่งหนตบลใดที่น่าจะมีทั้งเวชศาสตรแพทยศาสตร์ผสมพยาบาลอยู่ในใจคิดในมือสมบัติและการที่สี่จะไปเกิดแห่งหนตบลใดจะไปเกิดโดยที่ใกล้มหาวิทยาลัยไไมีให้ลูกหลานเรียนได้ใกล้ชิดการที่ห้าจะไปเกิดแห่งหนตบลใดจะไปไม่ไปเกิดในบ้านทุลักตาดาจะไปเกิดในบ้านที่พัฒนาเดีแล้วบ้านเมืองจเจริญแล้ว เราก็ไปอยู่ในบ้านเมืองที่เจริญมีถนนทนทางมีน้ํามีไฟให้ความสะดวกสบายทุกระการนี่การเจริญกรรมฐานเบื้องต้นถ้าท่านมีสติกําหนดได้จากโลกมนุษย์ไป น, นี่สายท่านก็จะได้ไปสวรรค์อย่างตามไปกลับมาเกิดไม่สามารถจะประเสริฐในอนาคตท่านก็จะไปเกิดในบ้านเมืองที่เจริญ ร, าารุ่งเรืองวัฒนาถาพอย่างกล่าวแล้ว มีลูกหลานก็เป็นคนดีหมดสามีภรรยาเหมือนสามีเป็นเทพประบุภรรยาเป็นเทพีดาดูด้วยการรักสมาธิหมั่รักใครตลอดมาเป็นคู่ชรางคู่สมไม่ทะเลาะวิวาทกันตลอดเลยการนี่เนี่ยคือคู่เทวดาดูในเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยการเจริญกรรมฐานเป็นบทความที่สูงที่สุดในเทวปุตตะศาสนาจึงไม่ใช่ว่าของหนา้า แล้วก็มาแจากของยากคนที่ปฏิบัติกรรมาฐานจะไม่มีทิชีจะไม่มีทิชชี่มันะจะไม่มีการแหนงแแปงใจจะไม่มีินทาส่งเสริมกันไม่แต่อนุโมทนาสาธุสาธุอยู่ตลอดเลยการจะไม่มีแข่งดีแข่งชั่วกันมีแต่อนุโมทนามีจะให้อาภาัยซึ่งกันและกันมีแต่แม่ตาอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะช่วยคนนี้ อยากจะให้คนนั้นอยากจะให้คนนี้ตลอดไปคนนั้นคือนักนักกรรมาฐานนักต่อสู้ชีวิตนี้ต่อสู้แล้วชีวนี้อดทนแล้วท่านจะได้เป็นทองคำต้องสู้ไฟได้ทุกชั้นทู่น้ำกรดได้ชีเลียงทั้งหลายไม่จกลัว อ, อ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมโพลูกชายเหมือนไม้ใหญ่ต้องสู้ลมลมพัดยังไงไม่มีหัก ต้องสู้ลมตลอดรายการนั่นคือขันสิธรรมอดทนตลอดรายการใครจะด่าจะว่ายังไงก็ไม่สนใจแจกราการได้ไม่สนหรือจะเหน็บแนมแกไปชดแหนมหนบเน็ดอยู่ในผูใจจะเย็ดเล็กจะเจ็บเนื้อสาเหลือวิสัยก็ตามจะไม่กรดจะไม่เหน็บแนมท่านผู้ใดจะไม่เสียดสีท่านผู้ใดอีก และก็จะไม่ปาบว่าตาขยิบอีกต่อไปจะไม่ฟื้นฝอยหาจะเทปจะไม่หยุดเย็บจากเนื้อต่อไปอีกในโอกาสขนาะนั่งคือนักกรรมฐานก็จะมีบทความดันได้ชื้แจงแสดงมานะปัด น, นีอาตมาภาขออนุโ ม, โมทานาสาธุทางแก่ท่านหญิงท่านชายท่านอุบาศกอุบาสิกาทางพระพุทธศาสนาน ท่านเป็นท่านหญิงจะเป็นสาวจะเป็นกุลอาสตรีสร้างความดีเบญญากัรสูไว้สดงดงามในกุณอาสตรีแล้วขอให้สวยทั้งสีสวยทั้งสดงดงามตามระเบียบใจก็งามหน้าตาก็สวยจิตใจก็ดีมีปัญญาอาลีอาลอบเย่อ เ, เพื่อเผื่อแผ่ตลอดเวกาโอบอ้อมอาลีวันทีก็ไพลย์ สงาะทุกคนท่านวางตนเป็นกลางยิ้มแ ย, ม, ยมจ่มใสตลอดการตลอดกาลเวลาไม่มีอภคติแต่ท่านผู้ใดเลยนี่คือกรรมาฐานเบื้องต้นชีวิตกมลชันดาลจะไม่มีอีกเล้วในการอิจฉาริษยามีแต่อยากจะช่วยทุกเขาอยากจะให้เขามีความสุขมีความเจริญเหมือนเราที่เคยได้รับความสุขมาแล้ว อยากจะช่วยผู้ที่กำลังจมน้ำที่จะตายให้รอดพ้นจากความตายได้อยากจะช่วยสามีภรรยาให้เลิกการทะเลาะวิวาดกันให้เขาต้องการอยู่เย็นเป็นสุขาหากว่าท่านทั้งหลายจเจริญกรรมาฐานสามีภรรยาไม่ทะเลาะบอกแว้งซึ่งกันและกันแล้วเกิดสดใสมีปัญญา เทพเจ้าจะเอาเทวดามาเกิดก็เสร็จที่สุดแล้วนี่หละท่านทั้งหลายถ้าจิตใจท่านดีมีปัญญาไม่โศกปลอกจิตใจสะอาดอจะมีบุตรนักปราชญ์จะมาเกิดอ้าจิตใจท่านโศกปลอกสัตว์นรกจะมาเกิดเที่ยงพอเที่ยงแม่คําไม่ตกว่าลูกลางไม่สวย จิตใจก็ไม่รวยน้ําใจก็ไม่มีอาการสะอาดนอกกระอาดนายสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันหลับนอนก็สวดมนต์ไว้พระเจริญกุศลภาวนามีสติตั้งอยู่เสมอรอดพ้นเทสะเจา้าเอานักปราบมาเกิดในบ้านนี้ได้ปรรยาเอกนักปราบมาเกิดอยู่ดีกินดีมันมีสิสุขทั้งฝะกูลบง บ้านไหนจิตใจลามมกสศกปรกขาดนรกมาเติดเที่ยงพอเที่ยงแม่ทำไม่ตกว่าเหยอยดเยียเที่ยวยินฟันเหมือนยากเหมือนมารไม่มีความสุขความเจริญสำลามชีวิตแต่ประการใดอาจะมาภาพขออ่านอุโมงค์หนาจะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายปี่สองพันหรอยสี่ศูนย์สี่สิบขอขอจงเจริญทำ จเจริญกิจกรรมสร้างกุศลกรรมับการจเจริญธรรมฐานกายกรรมสามวัชิกรรมสี่มโนกรรมสามให้ได้นลสมค่าศาสนาเนรธรรมปฏิบัติธรรมโดยเจริญพื้นนภาวนาปัญญาท่านก็จะเกิดล้ำเลิศทุกประการไปไหนมีแต่ความสุข กว่าจะเินรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรมีเมตตากรุณามุทิซาอุเบคาสงศารสัพพกรทั ง, า, ททงายรู้ว่าละเจตของชัต ท, ที่จะเกิดและจะตายรู้ว่าและจุดสังขัชาตในลกและสวรรค์จะได้แพรเมตตาอนุโมทนาชาตุการตลอดการประวชาสรโดยถวนาการขอทุกท่านทรงกรรินทำ ปฏิบั ต, ตาาิกรรมฐานหนก่ลร้านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอยกาลเวลาโดยอำนาจานที่นัภาวานา้นขอดนบันดาลให้พุทธรบริษัททั้งลายออกงามไห้บูรณในประพุธาทธชาสชนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถวานากานขอที่ท่านจงกระเรินด้วยอายุ วันนะสูขาพะละภาติพานฐานนาชานลัสมบัตินคิดชึ่งหนึ่งปฏิการใดขอให้สมมาปราธานาด้วยกันทุกทุกท่านณโอกาสบรดนี้เทินไปขอญาติโยมห็งใจธรรมามากบัตตุสีไม่เคยภาคว่างที่คืนมา เมื่อวานก็มีหลายทัพจัดเข้ามาในวัดมีมากมายหลายประการในวันวานนี้อินโดนีเซียก็มาด้วยต่างชาติต่างภาษาก็มาเพราะได้ทราบจากธรรมพูด ต, ต่างประเทศของอินโดนีเซียเคยท่านจะคุณวัดบวร น, นิเวศที่จกักจะมามานานเคยมาแสดงธรรมที่โลกมะม่วง กับพระพิสุอังสิกเิยเป็นนายทหารที่สงครามโลกครั้งนั้นมาก็บอกกล่าวพวกนโนนเซียมาประเทศไทยให้มาวัดอัมพวันมาหาแลวง็อจะลันเป็นตน้นเขาจึงมาตามหมายการกล้อมกับผู้ทหารพันเอกพิชัยก็เป็นล่ามพระพูดภาษาโนนเซียได้ นี่แหละท่านยาตโยมทั้งหลายเห็นใจเธอคนเดียวก็ต้องสู้แล้ววันนี้วันธรรมโวนะวันพระเขาก็รู้ว่าจะมาอยู่วัดก็มากันหลายทัพโดยท่านดอกคุณพระครูพรหมยานยิ่กด์สกุณะอาเภอเมืองนครสวรรค์วัชรีวงศได้นาพระสองหลายสิบจังหวัดนักเผยแผ่ แต่รมที่นั่นของกรมการศาสนาพาพระนั้นมาฟังโอวามารับพัฒนาศึกษาอื่เช่นอยู่กับพอยังให้โอว่าท่า้พติเชือนใจไม่จบคืออำเภอพนมกระามพ่อดันเข้ามาหนึ่งรดบัสต่างจุดประสงค์มาที่นี่ฟังธรรมมาส่ปฏิการผู้มีปัญญา วัดธรรมนิจจัยอําเภอพนนทลราคามจังหวัดสระสุนทรท่านพระมหาสมพงศ์อาจารย์สมพงศ์รรมิตท่านเคยรู้ษึกวัดโสธรสเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระธรร ม, มเสนานีตอนนี้ก็พารูกศิษมาอยู่เชตุกะเคยไปพัฒนาที่นครนายก พาบาศกบิาจบบรารเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากหลายคือท่านพระอาจารมหาสมพงษวันนี้อสาเสียสละนำญาติโยมมาลดบาตรลดทั่วเสียเงินเสียทองมาไกลหลายกิโลเมตรเพ่อจะถึงวัดวันนี้มาฟังธรรมะแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นยังต้องเสียเงินเสียทองมามากหลายไลาอยู่ในวัดไม่อยากฟังบึงหรือประการได้ ขอฝ า, ากข้อคิดทันไว้เป็นข้อวิจัยและวิเคราะห์ด้วยและเผยแผ่แพัฒนาและดับเจ้าอเภอเจ้าว่าถึงกระันบนหลายท่านภาค1ิภาคทีเบ็ภาคทีสองภาคเหนือภาคอีสานมาพร้อมหลายเลกผู้เชื่อชานธนานการด้านวิชาการทั้งสิ้นและมหาประเวก็เยอะแต่มาทำไม ว่ารถมาสมาร้วองพ่อวันอยู่แน่ๆในวันธรรมสุนะขึงเสือสละกสาสวดมนต์ไหว้พระทั้งหมดมาตรงด่วนมาที่วัดอัพวันทั็นทีนี่แหละเห็นกายจะมาเธอ ย, ยังไม่ได้ว่าข้า็มาต้องขันเอาอยัางไงข้าต้องรีบข่าหอประชุมมาให้อว่าละสองผู้เป็นวิทยากร การภาษาศาสนากับความมั่นคงชาตเดี๋ยวพิ่งนี้จะพูดกับเช้าเรื่องศีลกรรมของพระสง์เพื่อพัฒนาสังคมบายต้องไปพูดถึงเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นวันเกิดของเทศบาลพูดเรื่องแผ่นดินคาไปยิงทองเพราะนายกเทศมนตรีขอนิมนต์มือแหลกยาโย่เห็นใจัะมาเถอะเวลาพักก็ไม่มีแล มือ ม, มีความหมายและเราอยู่กับวัดของเราอยู่ใกล้ๆพระโปรดจะได้รับฟังบ้างตามุสมควรเขามาในแง่ทิดต่างๆเอาของหรือของเราไปแต่เราอยู่ใกล้เกืออยะจินดางให้มีน้ำใจมีความถูกมุ่งหมายอ น, นั้นแต่และคนมาพัฒนาศึกษาควรจะจำใจใจใว่าเขามาทำไมเสียงเงินค่าลรถ จากนครสวรรค์มานี่สี่กิโลต้องใช้เวลารถบนยรวมสองชั่วโมงท่านบอกอย่างนั้นต้องเสียค่ารถเสียเวลาลงรทสบเสียเวลาส่งมรุษะด้วยไม่มาก็ขาดของดูจึงมืดอเยสนามาจันทร์ถงี่ได้ลอลีกจัะการได้แย่พนมสาะคามก็เขามายึดโดยพระอาจารย์สมหาเส้นคง หลวงปู่ท่รนมาเต้นานี่กล่าวคณะจังหวัดพะเชิงทรัพหลวงพ่อโสธร น, นี่ยาอาววรหลวงหลายจบบราการได้ธรรมาก็รู้สึกภาคพึ้งจะดีใจได้ช่วยจังหวัดพะเชิงทรัพมากเขาจะมีเชื้อสายใช้โทอเป็นเล่ามาในวันนี้มีความหมายนะไอเ้เชื่อนันตาลเมานะขอเทียไอ้แค่ปอซีอ พูดจันไม่รู้เรื่องไอ้เชื่อใช้โทถึงกับกระเรีย่ยหน่อยมือความรู้ดีแต่ยังไม่ได้ยืดเพราะไม่มีปัญญาเอามัดกลั่นเอามัดกรองเอามาดตืบมาเจาะเจาะให้ลึกเพงได้พิสูจนหลักฐานเึืจะเป็นคนดูได้ดอกว่าไอตอสื่อเือน้ำตาลเมาไม่เอาเหนียวใต้พูดไปรู้ยยเรื่องเรื่องเวลาข้อนึงมือปัญญาพูดเรื่องง่า คนที่มือความรู้พูดเข้าใจง่ายรู้เรื่องกันดีมือตันยางง่ายถึงมือความรู้สูงแต่จิตใจไม่เอาไหนพอยังดีกับเชื่อมตันเมาที่มือความรู้กแต่อคือเอาดีไม่ได้เชื่อใส้ทอมันเปลี่ยนกินไม่ลงเหมือนคนมีความรู้สูงเอามักรันที่เอามากรองเชื่อให้ใจทานองทำ อป็นจิตกรรมที่ดีแล้วรับรองเป็นเล่าถุงเ้าดูซือเท่าไหรก็ได้อยู่ทุ่งปลันจุ่งฟรองอยู่ที่หมองไม่หมองใจปลันฟรองคลาดก็เจาะให้ลึกให้บันทึกหลักฐานในจิตใจของท่านท่านจะมีปัญญาเป็นมัณฑิตราชอวีมีปัญญาแหลมลึกแหลมหลักฝักไปเนี่ยเยวมันดึกมือความศักด์สูง คนใกล้เพื่อกินด่างอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้เรื่องไม่มีความเข้าใจไปที่หน้าเทาเวลาที่มีค่าสุดมากนาทีทองนะวิวนาทีเท่ากับหนึ่งตำลึงทองที่เราได้แล้วขึ้นใส่มากทำประโยชน์วินาะทีได้หนึ่งตำลึงทองละทองยังไงจ่ามือประโยชน์มหาศาลบางคนไม่สอน บวชแล้วไม่สนใจตัวเองก็เป็นเรื่องของเถือนำตาลเม่าไม่มือขาวสะอาดหมดจดแต่ประการใดวันเนื้อตมาต้องใช้เสียงมากใช้สมองฝึกกรองตามวาระถิตของผู้มาผู้มือปัญญาผู้สมองใสทงววังนั้น น, นักวีจังนั่นผู้เชี่ยวชาญนักเผยแพร่นักพัฒนาตัวยง ในบ้านของท่านในจังหวัดของท AH ่านภาคที่ภาคที่เด็ดาคที่สองหลายสิบจังหวัดมากินมาถำน้ำพานะของเราดีใจมากและยังอยู่ที่หอประชุมวัดนี้สันตคุณลาภธรรมนิเทศวัดบบยจนิเตศวาน่ันปริญญาต่างประเทศสอนมหาวิทยาลัยสองหน้งสุดมือความศึก เป็นนักวิทยากรประจำโลกไม่ใช่ประจำประเทศนะการอุร า, าิศมาถวายความรู้ใครอยากรู้ก็ไปฟังแต่เราเป็นตลาดพิชาารตลาดปฏิบาาัติการตลาดนโยบายการฆ่าของชิริตการฆ่าของธรรมะของความดีมีปัญญาไม่มีคนซื้อเลยด้คนอื่นซื้อไปหมดน่าเสบยายนะ นาที่ได้มากนักบริหารทุกท่านนักบริสุทธิทุกคนพุทธิสนักสวัสดิการนักบริหารงานนักบริการนักผู้นําของทัพผู้นําของประชาชนผู้นําครอบครัวผู้นําของคณะบุตรโปรดมีความคิดเถิดนักบริหารนักพุทธิสุทธนักสวัสดิการนักบริการนักท่องเที่ยวพุทธิสุท นักผู้แนะผู้นำผู้คร่ำผู้สอนควรจะศึกษาข้อมุ่เอามาเป็นบทนําชีวิตเอามาเป็นบทแก้ปัญหาชีวิตเป็นบทชี่เล่มต้นชีวิตและชีวิตลาบเลื่อนเพื่อนบ้านในอนาคตฤทธิ์ชานั่นคือกรรมาฐานเป็นบทนําของชีวิตที่ดีที่สุดแต่เราก็ไม่เอาก็แก่ปัญหาไม่ได้ วันนะี้พระสององค์เจ้าคงไม่เสียค่านํามันรถเปล่าท่านเชื่อใจกลับไปทุกทุ ก, ทกและดับเจ้าคณะเผอท่านนั้นและดับเจ้าคณะตาบลดาดับพระอุปัชฌาย์เสือหนักเผยแผ่นักพัฒนาตัวโยงมาได้จาลาของเราขนไปเยอะบอกหลวงพ่อคาราบหลวงพ่อวัดวันไม่เสียทีค่ารถไม่เสียเวลาสสด็จมนย้ายท่านทางวัน มาที่รี้ได้ของดีมีปัญญาปล า, ายผมได้คิดมากหลายจากที่หลวงพ่อให้โอกาสอย่างนี้มีประโยชน์นี้ใช่น้อยกลางคืนก็ต้องขันไก่กลางวันก็ต้องขันตามยามตามเวลาไก่เอ๋ยไก่คอเอ๋ยคอไก่ต้องลูกคอของคอไก่คอขอคอกะมือความหมาย ไม่รู้เหตุที่มาของไอ้คอไก่คอข อ, ขอคงไม่ได้อคอขวดก็ไม่มีคอควายก็จนมีความหมายสืนสนอลมานอยู่ในใจใจของตนมีความหมายเช่นนี้ถ้าใครรักจะเล่นก็ให้เต้นเข้ามาอยากจะฟังก็ฟังเราพูดหลายแนวยะเรื่องเดียวเนื่อกามมาถามเรื่องเดียวพูดหลายๆ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อย่างเพราะผู้ฟังมีปัญญาไม่เช่าวกา้านอยู่ตรงนี้นะ หลายระดับพัญญาชนจะพูดอย่างไรให้แยกโยนกลกระภาท้าให้เขากล้าเชิงใจโดดเดินเชื่องใจกลับไปมันพุ่งมาล่นบินมาจากดงดอนคราพคนเจอสอนสวัสดีมือชัยไม่เสียค่ารถกาวไม่เสียค่ายานพานะมาไม่เสียเวลาด้วยเสียเพื่อใดเสียเพื่อใดเนี่ยไม่จะเสียศูนย์อย่างที่บางคนต้องศูนยปล่าหน้าเสียดายเวลา อันมีค่ามหาศาลอยู่ในผลงานของผู้บริหารฮผู้ทรักาทุกผู้นำคนชาติผู้นำเนี่ยก็เพื่อยังตามตามก็น้ำตัวเอง